๖โครจระนานัตญาณ น, นิเทศแสดงโครจระนา น, ตานัตญาณปัญญาในการกาหนดธรรมต่างๆที่เป็นภายนอกชื่อว่าโครจระนา น, ตานัตญาณเป็นอย่างไรพระโยคาวจรกาหนดธรรมทั้งหลายที่เป็นภายนอกอย่างไรคือพระโยคาวจรกาหนดรูปที่เป็นภายนอกกาหนดสัทวเสียงที่เป็นภายนอก กำหนดคันธะกลิ่นที่เป็นภายนอกกำหนดรสที่เป็นภายนอกกำหนดโผฏฐัพพะที่เป็นภายนอกกำหนดธรรมารมณ์ที่เป็นภายนอกพระโยคาวจรกำหนดรูปที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่ารูปเกิดเพราะอวิชชากำหนดว่ารูปเกิดเพราะตัณหากำหนดว่ารูปเกิดเพราะกรรมกำหนดว่ารูปเกิดเพราะอาหาร กำหนดว่ารูปอาศัยมหาภูตรูปสี่กำหนดว่ารูปเกิดแล้วกำหนดว่ารูปมาร่วมกันแล้วกำหนดว่ารูปไม่มีแล้วเกิดมีมีแล้วจกไม่มีกำหนดรูปโดยความเป็นของมีที่สุดคือกำหนดว่ารูปไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดากำหนดว่ารูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความชิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดากำหนดรูปโดยความไม่เที่ยงไม่กำหนด้วยความเที่ยงกำหนด้วยความเป็นทุกข์ไม่กำหนดโดยความเป็นสุขกำหนด้วยความเป็นอนัตตาไม่กำหนด้วยความเป็นอัตตาย่อมเบื่อนายไม่ยินดีย่อมคลายกำนัดไม่กำนัด ย่อมทำราคาให้ดับไม่ให้เกิดขึ้นย่อมสะละคืนไม่ยึดถือเมื่อกำหนดโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจสัญญาได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมละนันทิได้เมื่อลายกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อทาราคะให้ดับ ย่อมละสมุทัยได้เมื่อสละคืนย่อมละอาธานะได้พระโยคาวจรกำหนดรูปที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดสัตตะเสียงที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่าสัตตะเกิดเพราะอาวิชชาพระโยคาวจรกำหนดสัตตะที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดคันทะกลิ่นที่เป็นภายนอกอย่างไร คือกำหนดว่าคันธะเกิดเพราะอาวิชชาพระโย Teddy. คาวจรกำหนดคันธะที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดรสที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่ารสเกิดเพราะอาวิชชาพระโยคาวจรกำหนดรสที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดโพทพภะที่เป็นภายนอกอย่างไรเือกำหนดว่า โพธพะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะยะะะะะะะะะโยะาะจรคะะะะะะะะะะะรมะะะะะะะะนะะะะะะะะะะะะระะะกะะะะะะะะธรร ม, ร ม, ออร ม, รมระมรมระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะระะะะะะะะกะะะะะะะะะะะาะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะาะะะะะะะะะะัะะะ กำหนดว่าธรรมารมเกิดแล้วกำหนดว่าธรรมารมมาร่วมกันแล้วกำหนดว่าธรรมารมไม่มีแล้วเกิดมีมีแล้วจกไม่มีกำหนดธรรมารมโดยความเป็นของมีที่สุดคือกำหนดว่าธรรมารมไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดากำหนดว่าธรรมารมไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น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 17จริยานานตตญาณ น, นิเทศแสดงจริยานานตตาญาณปัญญาในการกําหนดจริยาชื่อว่าจริยานานตตาญาณเป็นอย่างไรคือคําว่าจริยาอธิบายว่าจริยาสามอย่างได้แก่หนึ่งวิญญาณจริยา 2. อัญญาณจริยา 3. ญาณจริยา วิญญาณจริยาเป็นอย่างไรคือความคิดเพื่อดูรูปทั้งหลายอันเป็นเพียงกิริยาอัภยกฤิตชื่อว่าวิญญาณจริยาจากโหวิญญาณที่เป็นแต่เพียงเห็นรูปชื่อว่าวิญญาณจริยามโนธาตุอันเป็นวิบากที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะได้เห็นรูปแล้วมโนวิญญาณธาตุอันเป็นวิบากชื่อว่า วิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่รูปแล้วความคิดเพื่อฟังเสียงอันเป็นเพียงกริยาอัพยกริตชื่อว่าวิญญาณจริยาโสตวิญญาณที่เป็นแต่เพียงฟังเสียงชื่อว่าวิญญาณจริยามโนธาต์อันเป็นวิบากที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะได้ฟังเสียงแล้วมโนวิญญาณธาตอันเป็นวิบากชื่อว่า วิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่เสียงแล้วความคิดเพื่อดมกลิ่นอันเป็นเพียงกคริยาอภิยกฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาคานวิญญาณที่เป็นแต่เพียงดมกลิ่นชื่อว่าวิญญาณจริยามโนธาต์อันเป็นวิบากที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะได้ดมกลิ่นแล้วมโนวิญญาณธาต์อันเป็นวิปลากชื่อว่า วิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่กลิ่นแล้วความคิดเพื่อลิ้มรสอันเป็นเพียงกริยาอภิยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยาชิวหาวิญญาณที่เป็นแต่เพียงลิ้มรสชื่อว่าวิญญาณจริยามโนธาต์อันเป็นวิบากที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะได้ลิ้มรสแล้วมโนวิญญาณธาต์อันเป็นวิบากชื่อว่า วิญญาณรจริยาเพราะขึ้นสู่รถแล้วความคิดเพื่อสัมผัสโผฏพะอันเป็นเพียงกริยาอภพญากฤิชื่อว่าวิญญาณจริยากายวิญญาณที่เป็นแต่เพียงสัมผัสโผฏพะชื่อว่าวิญญาณจริยามโนธาต์อันเป็นวิบากที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะได้สัมผัสโผฏพะแล้วมโนวิญญาณธาตอันเป็นวิบาก ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่โพธภะแล้วความคิดเพื่อรู้แจ้งธรรมารม์อันเป็นเพียงกริยาอภยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยามโนวิญญาณธาตุที่เป็นแต่เพียงรู้แจ้งธรรมารม์ชื่อว่าวิญญาณจริยามโนธาตุอันเป็นวิปากที่ขึ้นสู่อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะรู้แจ้งธรรมารม์แล้ว มโนวิญญาณธาตุอันเป็นวิบากชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะขึ้นสู่ธรร ม, มารมณแล้วคำว่าวิญญาณจริยาอธิบายว่าชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะมีความหมายว่ายอย่างไรคือชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีราคะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีโทสะชื่อว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่มีโมหะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีมานะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีทิฏฐิชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีอุทัจจะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีวิจิกิจชาชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่มีอนุสัย ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยราคะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยโทสะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยโมหะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยมานะชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยทิฏฐิชื่อว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่ประกอบ ene. ด้วยอุทธาจารชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยวิจิกิจาชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยอนุสัยชื่อว่าว nice. ิญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกุศลกรรมชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยอกุศลกรรมชื่อว่าวิญญาณจริยา เพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมมีโทษชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมไม่มีโทษชื่อว่าวิญ ญ, ญ, ญยาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมดําชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมขาวชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมที่มีสุขเป็นกําไร ชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบ <c oughs> ด้วยกรรมที่มีทุกข์เป็นกําไรชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมที่มีสุขเป็นวิบากชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากชื่อว่าวิญญาณจริยาเพราะประพฤติในอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้ววิญญาณมีจริยาเช่นนี้ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิญญาณจริยาจิตนี้บริสุทธิ์โดยปกติเพราะไม่มีกิเลสเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิญญาณจริยานี้ชื่อว่าวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาเป็นอย่างไรคือความคิดเพื่อความแล่นไปแห่งราคะในรูปที่น่าพอใจอันเป็นเพียงกริยาอภยกริชื่อว่าวิญญาณจริยา ความแล่นไปแห่งราคะชื่อว่าอัญญานจริยาความคิดเพื่อความแล่นไปแห่งโทสะในรูปที่น่าพอใจอันเป็นเพียงกริยาอัพยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยาความแล่นไปแห่งโทสะชื่อว่าอัญญานจริยาความคิดเพื่อความแล่นไปแห่งโมหะในวัตถุที่ไม่ได้เพ่งเลงด้วยราคะและโทสะทั้งสองนั้นอันเป็นเพียงกริยาอัพยกฤิ ชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งโมหะชื่อว่าอัญญาณจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งมานะที่ผูกพันอันเป็นเพียงกริยาอพยกฤิตชื่อว่าวิญญาณจริยาความแล่นไปแห่งมานะชื่อว่าอัญญาณจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งทิฏฐิที่ยึดถืออันเป็นเพียงกริยาอพยกฤต ชื่อว่าวิญญาณจริยาความแล่นไปแห่งทิฏฐิชื่อว่าอัญญานจริยาความคิดเพื่อความแล่นไปแห่งอุทจจะที่ถึงความฟุ้งซ่านอันเป็นเพียงกริยาอัภยกากฤษชื่อว่าวิญญาณจริยาความแล่นไปแห่งอุทจจะชื่อว่าอัญญานจริยาความคิดเพื่อความแล่นไปแห่งวิจิกิจช้าที่ไม่ถึงความตกลงอันเป็นเพียงกริยาอัพยากฤษ ชื่อว่าวิญญาณจริยาความแล่นไปแห่งวิจิกิจฉาชื่อว่าอัญญาณจริยาความคิดเพื่อความแล่นไปแห่งอนุสัยที่ถึงความเป็นธรรมมีกําลังอันเป็นเพียงคิริยาอัพยกฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งอนุสัยชื่อว่าอัญญาณจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งราคะในเสียงที่น่าพอใจ อันเป็นเพียงกริยาอัพยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยาความคิดเพื่อความแล่นไปแห่งราคะในกลิ่นที่น่าพอใจในรสที่น่าพอใจในโผฏฐะที่น่าพอใจความคิดเพื่อแล่นไปแห่งราคะในธรรมรมที่น่าพอใจอันเป็นเพียงกริยาอพยกฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาความแล่นไปแห่งราคะชื่อว่าอัญญาณจริยา ความคิดเพื่อความแเล่นไปแห่งโทสะในธรรมมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอันเป็นเพียงกริยาอยาัภยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยาความเล่นไปแห่งโทสะชื่อว่าัญญานจริยาความคิดเพื่อความแเล่นไปแห่งโมหะในวัตถุที่ไม่ได้เพ่งเลงด้วยราคะและโทสะทั้งสองนั้นอันเป็นเพียงกริยาอัภยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยา ความแล่นไปแห่งโมหะชื่อว่าอัญญะจริยาความคิดเพื่อความแล่นไปแห่งทิฏฐิที่ยึดถืออันเป็นเพียงกริยาอัภยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยาความแล่นไปแห่งทิฏฐิชื่อว่าอัญญะจริยาความคิดเพื่อความแล่นไปแห่งอุทจจะที่ถึงความฟุ้งซ่านอันเป็นเพียงกริยาอัพยกฤตชื่อว่าวิญญาณจริยา ความแล่นไปแห่งอุทจจะชื่อว่าอัญญาณจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งวิจิกิจช้าที่ไม่ถึงความตกลงอันเป็นเพียงกริยาอภยกริชื่อว่าวิญญาณจริยาความแล่นไปแห่งวิจิกิจช้าชื่อว่าอัญญาณจริยาความคิดเพื่อความเล่นไปแห่งอนุสัยที่ถึงความเป็นธรรมมีกาลังอันเป็นเพียงกริยาอภยกฤิชื่อว่า วิญญาณจริยาความแล่นไปแห่งอนุสัยชื่อว่าอัญญานจริยาคำว่าอัญญานจริยาอธิบายว่าชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติมีราคะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติมีโทสะชื่อว่าอัญญานจริยา เพราะประพฤติมีโมหะชื่อว่าอัญญานจิริยาเพราะประพฤติมีมานะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติมีทิฐิชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติมนะีอุทจจะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติมีวิจิขิชาชื่อว่าอัญญานจิริยาเพราะปร ะ, ja. ะพฤติมีอนุสัย ชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤตประกอบด้วยราคะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤตประกอบด้วยโทสะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤตประกอบด้วยโมหะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤตประกอบด้วยมานะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยทิฐิชื่อว่าอัญญานจริยา เพราะประพฤติประกอบด้วยอุทจจะชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยวิจิกิจฉาชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยอนุสัยชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยอุศลกรรมชื่อว่าอัญญานจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยอกุศลกรรมชื่อว่าอัญญานจริยา เพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมมีโทษชื่อว่าอัญญาะจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมไม่มีโทษชื่อว่าอัญญะจริยาเพราะประพฤติประกอบด้วยกรรมดําชื่อว่าอัญญะจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมขาวชื่อว่าอัญญะจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยกรรมที่มีสุขเป็นกําไร ชื่อว่าอัญญณจริยาเพราะประพฤตประกอบด้วย ก, กรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วย ก, กรรมที่มีสุขเป็นวิบากชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤตประกอบด้วยกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากชื่อว่าอัญญาณจริยาเพราะประพฤติในอารมณ์ที่ไม่รู้ความไม่รู้มีจริยาเห็นปานนี้ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอัญญานจริยานี้ชื่อว่าอัญญานจริยาญาณจริยาเป็นอย่างไรเพื่อความคิดเพื่ออนิจญานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอันเป็นเพียงกริยาอัภยกฤิชื่อว่าวิญญาณจริยาอนิจญานุปัสสนาชื่อว่าญาณจริยาความคิดเพื่อทุกขานุปัสสนา การ um, er ah พิจารณาเห็นความทุกข์อันเป็นเพียงกุริยาอัพยกฤตชื่อว่าวิญญาณจริยาทุกขานุปัสสนาชื่อว่าญาณจริยาความคิดเพื่ออนันตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นอนันตาอันเป็นเพียงกุริยาอัพยกฤิตชื่อว่าวิญญาณจริยาอนันตานุปัสสนาชื่อว่าญาณจริยาความคิดเพื่อนิพพานุปัสสนา การพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายอันเป็นเพียงกริยาอภยกฤษตความคิดเพื่อวิราคานุปัสนาการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดอันเป็นเพียงกริยาอภยกฤษตความคิดเพื่อนิโรธานุปัสนาการพิจารณาเห็นความดับอันเป็นเพียงกริยาอภยกฤษตความคิดเพื่อปฏินิจสักคานุปัสนาการพิจารณาเห็นความสละคืน อันเป็นเพียงกริยาอภยกากฤจความคิดเพื่อขยานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความสิ้นไปอันเป็นเพียงกริยาอัภยากฤจความคิดเพื่อวยานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความเสื่อมไปอันเป็นเพียงกริยาอภยกากฤจความคิดเพื่อวิปริณามานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความแปรผันอันเป็นเพียงกริยาอัพยากฤต ความคิดเพื่ออนิมิตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่มีนิมิตอันเป็นเพียงกริยาอพยกากิความคิดเพื่ออัปนิหิตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่มีที่ตั้งอันเป็นเพียงกริยาอพยการความคิดเพื่อสุญญานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความว่างอันเป็นเพียงกริยาอัภยกากิความคิดเพื่ออธิปัญญาธรรมานุปัสสนา การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งอันเป็นเพียงกริยาอัภยากฤตความคิดเพื่อยถาภูตยานทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงอันเป็นเพียงกริยาอัพยการิตความคิดเพื่ออาทีนวานุปัสนาการพิจารณาเห็นโทษอันเป็นเพียงกริยาอัภยากฤตความคิดเพื่อปฏิสังขานุปัสนาการตามพิจารณาอันเป็นเพียงกริยาอัพยการิต ชื่อว่าวิญญาณจริยาปฏิสังขานุปัสสนาชื่อว enfin a, open, mm ่าญาณจริยาวิวัตนานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความคลายออกชื่อว่าญาณจริยาโสดาปฏิมาคชื่อว <S <S <ek het ano> ่าญาณจริยาโสดาปฏิผลและสมาบัติชื่อว่าญาณจริยาสกทาคามิมาคชื่อว่าญาณจริยา สกาธาคามิผลและสมาบัติชื่อว่าญาณจริยาอนาคามิมักชื่อว่าญาณจริยาอนาคามิผลและสมาบัติชื่อว่าญาณจริยาอรหัตมักชื่อว่าญาณจริยาอรหัตผลและสมาบัติชื่อว่าญาณจริยาคำว่าญาณจริยาอธิบายว่าชื่อว่าญาณจริยาเพราะมีความหมายว่าอย่างไร ช, Daniel, ชื่อว่ายา n จริยาเพราะประพฤติไม่มีราคะชื่อว่ายา n จริยาเพราะประพฤติไม่มีโทสะชื่อว่ายา n จริยาเพราะประพฤติไม่มีอนุสัยชื่อว่ายา n จริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยราคะชื่อว่ายา n จริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยโทสะชื่อว่ายา n จริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยโมหะ ชื่อว่าญาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบด้วยมานะไม่ประกอบด้วยทิฏฐ nice ิไม่ประกอบด้วยอุทจจะไม่ประกอบด้วยวิจิขิชาไม่ประกอบด้วยอนุสัยประกอบด้วยขุสลกรรมไม่ประกอบด้วยอกุศุลกรรมไม่ประกอบด้วยกรรมที่มีโทษประกอบด้วยกรรมที่ไม่มีโทษไม่ประกอบด้วยกรรมดาประกอบด้วยกรรมขาวประกอบด้วยกรรมที่มีสุขเป็นกรรมไร ไม่ประกอบด้วยกรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรชื่อว่ายาณจริยาความประพฤติประกอบเรื่องกรรมที่มีสุขเป็นวิบากชื่อว่ายาณจริยาเพราะประพฤติไม่ประกอบเรื่อกกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากชื่อว่ายาณจริยาเพราะประพฤตินในญาณญาณมีจริยาเช่นนี้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าญาณจริยานี้ชื่อว่าญาณจริยา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 8. ภูมินานัตญาณ น, นิเทศแสดงภูมินานัตญาณปัญญานินการกำหนดทำสี่ประการชื่อว่าภูมินานัตญาณเป็นอย่างไรคือภูมิสี่ประการได้แก่หนึ่งกรามาวจรภูมิชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในกลามสองรูปาวจรภูมิชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปสามอรูปาวจรภูมิ ชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปสอปริยาปันณะููิชั้นที่ไม่นับหนึ่งในภูมิสามหมายถึงโล ก, กุตระภูิกลามวจรภูมิเป็นอย่างไรคือขันทาศยตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้นับหนึ่งในภูมินี้ในระหว่างนี้ คือเบื้องล่างกำหนดเอาเอเวจีนรกเป็นที่สุดเบื้องบนกำหนดเอาเหล่าเทพชั้นปารณินมิตรวัสวัตตีเป็นที่สุดนี้ชื่อว่ากามวจรภูมิรูปาวจรภูมิเป็นอย่างไรคือธรรมคือจิตและเจตสิก ข, ของบุคคลผู้เข้าถึงสมาบัติผู้เกิดในรูปภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้ นับเนื่องในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกำหนดเอาโพรมโลกเป็นที่สุดชั้นพรมปาริสัทชาเบื้องบนกำหนดเอาพรมชั้นอคนิทภพภพเป็นที่สุดนี้ชื่อว่ารูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิเป็นอย่างไรคือธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติผู้เกิดในอรูปภูมิ หรือพระอาหารหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้นับเนื่องในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกำหนดเอาพรมผู้เข้าถึงอากาาสารนัญจาจตนะพเป็นที่สุดเบื้องบนกำหนดเอาเหล่าพรมผู้เข้าถึงเงวสัญญานาสัญญาจตนะพเป็นที่สุดนี้ชื่อว่าอารูปาวจรภูมิอปริยาปัญภูมิเป็นอย่างไร คือมรักผลท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นอปริยาปันนะนี้ชื่อว่าอปริยาปั น, นภูมิเหล่านี้ชื่อว่าภูมิสี่ภูมิสี่อีกใงหนึ่งเพื่อสติปฐานสี่สัมมาปทานสี่อิทิบาทสีฌานสีอภปัญญาสีอรูปาวจรสมาบัตสีปฏิสัมพิทาสีปฏิปทาสี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 ภูมินานัตญาณ น, นิเทศที่สิบปดจบสิ 19. ธรรมนานตญาณ น, นิเทศแสดงธรรมนานตญาณปัญญาในการกำหนดธรรมเก้าชื่อว่าธรรมนานตญาณเป็นอย่างไรพระโยคาวจรกำหนดธรรมทั้งหลายอย่างไรคือพระโยคาวจรกำหนดกามาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอากุศล เป็นฝ่ายอัพญากฤิจกำหนดรูปาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอัพญากริกำหนดอรูปาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอัพญากฤิจกำหนดอภริยานธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอัพยากฤลลิพระโยคาวจรกำหนดกามาวจรธรรมเป็นฝ <informations> ่ายกุศลเป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายอัพญากฤอย่างไร คือพระโยคาวจรกําหนดกุศลกรรมบทตรสิบเป็นฝ่ายกุศลกําหนดอกุศลกรรมบุตรสิบเป็นฝ่ายอกุศลกําหนดรูปวิบากและกิริยาเป็นฝ่ายอภยากฤิพระโยคาวจรกําหนดกรรมวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายอภยากฤตอย่างนี้พระโยคาวจรกําหนดรูปาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอภยากฤตอย่างไร เพื่อพระโยคาวจร์กำหนดชาญสี่ของบุคคลผู้ยังอยู่ในโลกนี้เป็นฝ่ายกุศลกำหนดชาญสี่ของบุคคลผู้เกิดในพรหมโลกเป็นฝ่ายอัพญากฤิพระโยคาวจร์กำหนดรูปราวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอัพญากฤตอย่างนี้พระโยคาวจร์กำหนดอรูปาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอัพญากฤตอย่างไร คือพระโยคาวจรกำหนดอรูปาวจรสมาบัตสีของบุคคลผู้ยังอยู่ในโลกนี้เป็นฝ่ายขุศล์กำหนดอรูปาวจรสมาบัตสีของบุคคลผู้เกิดในพรหมโลกนั้นเป็นฝ่ายอัพยกฤตพระโยคาวจรกำหนดอรูปาวจรธรรมเป็นฝ่ายขุศลเป็นฝ่ายอัพยกฤิตอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดอปริยาปัณนธรรมเป็นฝ่ายขุศล เป็นฝ่ายอัพยากริตอย่างไรเกิพระโยคาวจรกำหนดอริยมรรคสี่เป็นฝ่ายขุศลกำหนดอปริยาปันธธรรมเป็นฝ่ายขุศลกำหนดสามัญญผลและนิพพานเป็นฝ่ายอัพยากริตอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดธรรมทั้งหลายอย่างนี้ธรรมเก้าประการมีปราโมทเป็นมูลเมื่อพระโยคาวจรมนัสการโดยความไม่เที่ยงปราโมทย่อมเกิด เมื่อมีปราโมทปิติย่อมเกิดเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมสวยสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อนายเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเมื่อมนาสการด้วยความเป็นทุกข์ ปราโมทย่อมเกิดเมื่อมนัสการโดยความเป็นอนัตตาปราโมทย่อมเกิดเมื่อพระโยคาวจร์มนัสการรูปโดยความไม่เทียมปราโมทย่อมเกิดเมื่อมนัสการรูปโดยความเป็นทุกข์เมื่อมนัสการรูปโดยความเป็นอนัตตาเมื่อพระโยคาวจร์มนัสการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุ เมื่อมนัสสการชราและมรณะโดยความไม่เที่ยงปราโมทย่อมเกิดเมื่อมนัสสการชราและมรณะโดยความเป็นทุกข์ปราโมทย่อมเกิดเมื่อมนัสสการชราและมรณะโดยความเป็นอนัตตาปราโมทย่อมเกิดเมื่อมีปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อนายเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นนี้คือธรรมเก้าประการมีปราโมทเป็นมูลธรรมเก้าประการมีโยนิโสมนัสการเป็นมูลเมื่อพระโยคาวจรมนกา ร, การโดยอุบายแยบคลายโดยความไม่เที่ยงปราโมทย่อมเกิด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 นี้ทุกขคนนิโรธาคาไม่หนีปฏิปทาเมื่อพระโยคาวจรมานัดการโดยอุบายแยบคายโดยความเป็นทุกข์ปราโมทย่อมเกิดเมื่อมีปราโมทีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมสวยสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมเป็นสมาธิผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์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 เมื่อมนัส ก, การรูปโดยอุบายแยบคลายโดยความเป็นทุกข์ปราโมทย่อมเกิดเมื่อมนัสการรูปโดยอุบายแยบคลายโดยความเป็นอนัตตาปราโมทย่อมเกิดเมื่อพระโยคาวจร์มนัสการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุเมื่อมนัสกษษษษษารชราและมรณะโดยอุบายแยบคลายโดยความไม่เที่ยงปราโมทย่อมเกิด เมื่อ <telev isa. S 1> มนัสสการชราและมรณะโดยอุบายแยกคลายโดยความเป็นทุกข์ปราโมทย่อมเกิดเมืม่อ <ne otic> มนัสสการชราและมรณะโดยอุบายแยกคลายโดยความเป็นอนัตตาปราโมทย่อมเกิดเมื kinetic kinetic kinetic kinetic <daylight> ่อม in ีปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมเป็นสมาธิผู้มีจิตเป็นสมาธิ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธทะขาไม่มีปฏิปทานี้คือธรรมเก้าประการมีโยนิโสมนัสการเป็นมูลความต่างเก้าประการคือผัทธะต่างๆอาศัยธาตุต่างๆเกิดขึ้น เวทนาต่างๆอาศัยผัสสะต่างๆเกิดขึ้นสัญญาต่างๆอาศัยเวทนาต่างๆเกิดขึ้นความดัมเบต่างๆอาศัยสัญญาต่างๆเกิดขึ้นฉันทะต่างๆอาศัยความดำมเิต่างๆเกิดขึ้นความเร่าร้อนต่างๆอาศัยฉันทะต่างๆเกิดขึ้นการแสวงหาต่างๆอาศัยความเร่าร้อนต่างๆเกิดขึ้น ลาบต่างๆอาศัยการสแสวงหาต่างๆเกิดขึ้นนี้คือความต่าง9ก้าประการชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดธรรมเก้าประการชื่อว่าธรรมนานตยานธรรมนานตยา น, านิเทศที่สิบเก้าจบ 20-24 ิ20 24, าะปัญจกานิเทศแสดงยานห้าหมวดปัญญาเครื่องรู้ยิ่งชื่อว่ายาตถญานยานที่มีสภาวะรู้ปัญญาเครื่องกำหนดรู้ชื่อว่าตีรณัทยานยานที่มีสภาวะพิจารณาปัญญาเครื่องละชื่อว่าปริชาคทถยานยานที่มีสภาวะสละ ปัญญาเครื่องเจริญชื่อว่าเอกร ะ, ระัตยานยานที่มีสภาวะเป็นรถเดียวปัญญาเครื่องทําให้แจ้งชื่อว่าภาสนัตยานยานที่มีสภาวะถูกต้องเป็นอย่างไรเพื่อทําใดๆที่พระโยคาวจรรู้ยิ่งแล้วทํานั้นๆก็เป็นอันรู้แล้วทําใดๆที่พระโยคาวจรกําหนดรู้แล้ว ทำนั้นนั้นก well ็เป็นอันพิจารณาแล้วทำใดใดที่พระโยคาวจรละได้แล้วทำนั้นนั้นเป็นอันละได้แล้วทำใดใดที่พระโยคาวจรเจริญแล้วทำนั้นนั้นก็เป็นธรรมมีรสเป็นอันเดียวทำใดใดที่พระโยคาวจรทําให้แจ้งแล้วทำนั้นนั้นก็เป็นอันถูกต้องแล้วชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาเครื่องรู้ยิ่งชื่อว่ายาตถยานปัญญาเค ร, รื่องกำหนดรู้ชื่อว่าตรีรณัทยานปัญญาเค ร, รื่องละชื่อว่าปริจักทะยานปัญญาเครื่องเจริญชื่อว่าเอก ร, ะระสัตยานปัญญาเค ร, รื่องทำให้แจ้งชื่อว่าภาษาณทะยาน ยานะปัญจการนิเทศที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่จบ